ตอนบรรยายธรรมในวันปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดกาบนมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไ ม, ม่ชีกัลยมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆเนาะปกติก็ทุกคืนวันเสารนะแล้วก็มีอะไรพูดจากันแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางโลกเป็นสมมุติบัญญัติ ถึงจะเป็นสมมติบัญญัติเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคําว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าเราแก่ขึ้นไปอีกปีหนึ่งแล้วนะอย่าให้มันเป็นปีใหม่เฉยๆปีใหม่เราต้องรู้ว่าเราจะมีสิ่งใหม่ๆในชีวิตเราไหมไม่ใช่จาเจซ้ำซากทำแต่เรื่องเก่าๆไม่ยอมพัฒนาโดยเฉพาะยุคนี้เนี่ย เราไปติดเรื่องพัฒนาพ่อลังบอก Development แต่ไปพัฒนาวัตถุมากกว่าจนลืมพัฒนาจิตใจนะกลายเป็นทุกคนไม่ใช่ทุกคนหรอกส่วนใหญ่กลายเป็นคนแห้งแล้งเหมือนเราเดินอยู่ทะเลทรายไม่มีจะกินไม่มีน้ำดื่มนะ อารมณ์เพราะอะไรไม่ใช่ไม่มีตังค์นะรวยมากเลยก็ยังแห้งแรงเพราะเราไม่พอใจเราอยากจะมีมากขึ้นนะเนื่องจากโจทย์ที่เราถูกตั้งไว้ว่าทุนนิยมแข่งขันเสรีโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันชีวิตคือสร้างอนาคตใครมีวัตถุมากกว่าคนนั้นเก่งเราก็ถูกสอนให้เรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆ เมื่อรวยแล้วจะมีความสุขเป็นชุดวิชาตายตัวทุกคนคิดนอกกรอบ น, นั้นไม่ได้เมื่อวานนี้มีครอบครัวของญาติธรรมเราคือคุณพ่อคุณแม่พี่สาวคุณเล็กคุณพ่ออยู่ฮ่องกงมาเยี่ยมที่นี่ท่านก็เกือบแปดสิบละเจ็ดสิบกว่าก็มานั่งคุยกับพ่อครูเขาก็เล่าว่าเขาต่อสู้อย่างไร ทำไมต้องไปอยู่ฮ่องกงนะคนอยู่ฮ่องกงได้ไม่ใช่ธรรมดาสมัยหนุ่มๆพ่อคูค้าขายต่างประเทศพ่อคูอยู่สีนะ่พญาพ่อคูเอาไปต่างประเทศก็ต้องแวะฮ่องกงทุกครั้งมีเพื่อนมีคู่ค้าที่ฮ่องกงเกาะเล็กๆผู้คนเยอะมากเดินทำงานไม่ได้ต้องวิ่งทำงานความเร่งรีบเครียดมากนะพวกดาราดังๆ เครียดปุ๊บ ก, ก็ไปเล่นไปหมาเกาไปเล่นการพนันพอหมดตัวก็กระโดดตึกตายตอนนี้ท่านบอกท่านต่อสู้มาต่อชีวิตตอนนี้ดีทายแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็ไปเดินเล่นสวนสนุกไปเที่ยวนวลเที่ยวนีน่ท่านบอกว่าเหมือนเคว้งสมัยก่อนเรายังมีเป้าว่าลูกยังเล็กอยู่เราต้องดิน้นรนหาเงินส่งเสียเขา เ้าก็บอกลูกสาวเขาสามคนนี้เนี่ยเขาภาคภูมิใจทุกคนเก่งเขาไม่ต้องห่วงแลไม่ต้องห่วงแต่ในขณะที่ตัวเองไม่รู้จะทำยังไงนะอันนี้เป็นอารมณ์ของคนหลังกเกษียณอยากมีเงินก็มีเงินแล้วอยากทำอะไรก็ทำมาหมดแล้วเพราะเราเลื่อนลอยเราจะอยู่ไปทำไมสมัยเราหนุ่มๆเราก็เออเบื่อมาฉันก็ไปเที่ยว เที่ยวเตไปกินเหล้ า, มาเมายาไปทําอะไรที่มันสะใจนะให้มันสนุกสนานเพื่อกบเกินความเบื่อเรายังมีคําแต่นี้เราทำมาหมดเราทําจนอายุขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรท่านก็ปรึกษาพ่ะครูว่าพรอครูช่วยแนะนําหน่อยพ่ะครูบอกเรื่องนี้คุยยาวหน่อยหนึ่งแต่ดีที่สุดเนี่ยปีกตัวมามาอยู่นี่สักพักหนึ่งแล้วเขาจะได้คําตอบว่าเวลาที่เหลือเนี่ยควรจะทําอะไร ทุกวันนี้เราไม่รู้เราเกิดมาคนที่รักเราที่สุดเนี่ยก็ตั้งชื่อให้เราบัญชาณะลูกเพราะพ่ อ, พอแม่เรียกแล้วมีความสุขโดยที่เขาปรึกษาเราเวลานั้นเราก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ตั้งชื่อที่เขาเรียกแล้วเขามีความสุขเราก็กลายเป็นบัญชาแถมศาสนามาด้วยพุทธนะลูกเพราะพ่ อ, พอแม่ว่ามันดีเราก็เลยกลายเป็นชาวพุทธโดยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเขาก็รักเรามากเขาห่วงอนาคตเรา เขาก็ส่งเราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตเราก็เลยไม่รู้ว่าเราเป็นใครเรากลายเป็นสิ่งที่สังคมอยากให้เราเป็นเราคิดนอกกรอบไม่ได้เราถูกสอนว่าชีวิตต้องสู้ทุกคนก็กัดฟันสู้ทนสู้เพื่อสร้างอนาคตแล้วคุณพ่อคุณเล็กก็บอกว่าใช่ละตอนนี้ฮ่องกงคนแก่อยู่ไม่ง่ายพราะครูบอกไม่ใช่ฮ่องกงทั่วโลก แม้กระทั่งอเมริกาอันดับหนึ่งของโลกคนแก่ก็อยู่ไม่ง่ายว้าวเวก็เราสอนลูกหลานเราเก่งไงสอนให้เขาวิ่งไปตามอนาคตส่งไปเรียนเมองนอกส่งไปเรียนนุ่นลูกก็คิดถึงพ่อแม่พ่อแม่ก็คิดถึงลูกเพราะเราต้องการเห็นอนาคตลูกเราไม่ต้องการเห็นลูกมีความสุขที่พ่อครูเคยพูดวันก่อนว่ามีรถกระบะคันหนึ่งเขาเขียนไว้หลังรถว่าความสาเร็จของลูก คือความสุขของพ่อแม่ก็เลยไม่มีพ่อแน่พ่อพ่อแม่คนไหนมีความสุขเพราะลูกไม่มีวันสำเร็จสำเร็จแปลว่าเสร็จแล้วคุณบิวเกตยังไม่เสร็จเลยใครจะเสร็จเพราะเขาไม่มีวันพอพ่อแม่ก็เลยต้องห่วงอยู่ต่านั้นแหละพ่อแม่ก็เลยไม่มีวันสุขจริงๆแนละ้วถ้าเราเข้าใจชีวิตน่ยสติ๊กเกอร์ตรง น, นั้นต้องเปลี่ยนใหม่ความสุขของลูก คือความสําเร็จของพ่อแม่พ่อแม่คนไหนเลี้ยงลูกมีความสุขแสดงว่าเราสําเร็จแล้วเราเลี้ยงลูกเป็นแต่ตอนนี้มันตาลปัดเพราะทุกคนวิ่งตามวัตถุที่พ่อครูยกตัวอย่างบ่อยๆอะล่ะคุณบิลเกตไม่มีเจตนาลายนะอันนี้เรียกว่าบุคลาธิฐานการอ้างชื่อคนนั้นคนนี้มาแสดงธรรมเนี่ยเพราะทุกคนเข้าใจเหมือนกันเลยคุณบิลเกตโดยอันดับหนึ่งของโลก เขาก็ยังไม่สำเร็จเรายกตัวอย่างองคุรีมาเรารู้เลยวา่าคนฆ่าคน999คนเอานิ้วมาแขวนคออันนี้คือบุคลาธิฐานไม่มีเจตนาลายอะไรเขาไม่ใช่เป็นคนชั่วหลายเขาเก่งมากคุณบิวกเกต์นะยกตัวอย่างแล้วประเทศอเมริกาอันดับหนึ่งของโลกเศรษฐกิจสังคมการเมืองใครปฏิเสธไหมอันดับหนึ่งของโลกรวมทั้ง กองทัพทหารด้วยแต่ตอนนี้อเมริกาเป็นหนี่มากที่สุดในโลกไม่ใช่เศรษฐีตัวจริงพวกครูเคยอยู่ที่น่นเขาเก่งแต่เขาไม่มีปัญญาเพราะเขาไม่รู้วิธีบริหารชีวิตเาไม่เคยถูกไม่ทุกคนไม่เคยถูกเรียนวิชาชีวิตเลยส่งไปโรงเรียนไปเรียนวิชาสร้างอนาคตทั้งนัและ ยิ่งส่งไปเมืองนอกเมืองนาลูกก็คิดถึงเราเราก็คิดถึงลูกแล้วก็อดทนเพื่ออนาคตลูกเราไม่เคยสนใจเลยว่าลูกมันทุกข์ไหมมันมีความสุขไหมที่มันไปทาตรงนั้นเหมือนเด็กทุกวันนี้นี่ไม่มีทางเลือกเท่าที่ควรเพราะเราถูกใส่โปรแกรมอย่างนั้นพ่อแม่ก็ใส่โปรแกรมอย่างนั้นก็ส่งเสริมกันไปอย่างนั้นทุกคนเครียดหมดนะสาธารณาสุขตอนนี้กลายเป็นสาธารณะ ท, ทุกทุกท่วนหน้า ป่อยให้ทุกคนเคียดคนทุกข์ก็มานั่งวิจัยยาดีๆเครื่องมือดีๆมันดีจริงไหมถ้าเครื่องมือดีจริงๆเนี่ยจากรักษาแพงต้องถูกลงจนฟรีตอนนี้เครื่องมือดีๆเนี่ยคนจนไม่มีสิทธิ์มันเป็นธุรกิจการแพทย์โลกนี้เจร maybe, e, ิญจริงเหรอโลกนี้เจริญท่านมาจากกรุงเทพหลายคนนะหลายปีก่อนพราะครูเคยแลกเปลี่ยน เพราะกูถามหน่อยตอนหนุ่มๆเพราเคยๆยอยู่กรุงเทพศรีปยานะนั่งเรือขับรถก็ไม่ได้ติดนั่งรถลางนะจากศพียาไปสนามหลวงไม่กี่สิบนาทีถึงแล้วตอนนี้สองชั่วโมงก็ไม่ถึงจเจริญจริงเหรอถามว่ากรุงเทพรถติดเนี่ยลิงหรือไก่ทำให้มันติดคำตอบคือคนทีนี้ถามต่อไปว่าแต่ก่อนนี้คนเรายังโง่อยู่ ทำไมรถไม่ติดําเราติดชอบไหมอุ้ยไม่ชอบมีความสุขไหมทุกข์มากแล้วทำไมคนทุกวันนี้ฉลาดมากทำให้รถติดทำให้เราทุกข์ฉลาดจริงไหมเราไปทบทวนนะทำลายจนโลกใบนี้จะอยู่ไม่ได้ลนะกี่ปีก่อนเนี่ยเขาเพิ่งฉลองสิบปีที่ซึอนอมีแถวปักใต้เราเนี่ย หลายๆประเทศคนตายสองสามแสนตอนนั้น่ะแผ่นดินมันแยกมากมันดูดโอนน้ำลงไปข้างล่างแรงโน้มถ่วงของโลกเอียงไปเกือบสามองศาถ้าดูจากดาวเทียมน่ภูเก็ตเคลื่อนเคลื่อนนิดนึงนี่มันส่งผลกับแสงอาทิตย์ที่มาถึงเราแต่เราไม่เราชล่าใจมากระทบถึงศูนย์นะทำไมเรารู้อยู่ที่ศูนย์ เพโลกใบเดียวกันนี่ย้ำบาดาลตรงหน้าศูนย์เนี่ยใช้กี่ปีกี่ปีก็ไม่หมดหลังจากเกิดซินอมีปุ๊บโลกมันเอียงเนี่ยน้ำบาดาลเปลี่ยนทิศน้ำมันก็จะเป็นน้ำมันเนี่ยกี่ล้านปีวันนึงสูบขึ้นมาอย่างบ้าระหันเพื่อจะเอามาแลกเป็นเงินเพื่อสร้างอนาคตนี่คือความคิดผิดของมนุษย์เราแล้วทุกคนช่วยกันสร้างเพราะกิเลสมันชอบ แข่งกันรวยแล้วก็แข่งกันทำลายสิ่งแวดลอ้อมโลกมันก็ร้อนขึ้นเกิดจีนเฮาเอฟ f ฟกตเห็นหแสงอาทิตย์เข้ามามันตีกลับออกไม่ได้กลายเป็นเตาอบนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันเร็วมากก็เริ่มเห็นแต่ว่าฉันไม่แคร์ฉันเล่นเกมนี้ต่อไปนะแน่นอนเราหยุดโลกไม่ได้เพราะครูคนหนึ่งละ่ะ วิ่งไปตามโลกความคิดก็แลงมากตอนที่เป็นทุนนิยมข้ามชาติเนี่ราก็เห็นด้วยกับคําว่าเพิ่มอาวุธทางปัญญาเพื่อจะฆ่าคู่ต่อสู้เพื่อจะทําลายมันการสําเร็จของเราคือการทําลายคนอื่นแค่คิดเฉยๆก็มโนกรรมพูดว่าจีกรรมไม่ใช่พูดจะทําจริงๆเลยตอนนี้มาถึงตัว น, นี้พระ ก, กูถามคืนไปว่าคุณเพิ่มอาวุธทางปัญญาเนี่ยคุณจะไปฆ่าเสือฆ่าลิงฆ่าช้างที่ไหนเหรอ ห้ามพันมนุษย์ด้วยกันเองเป็นภาษาที่แรงมากแล้วก็หน้าตาเฉยทุกคนสนุกสนานกับการเล่นเล่นเกมและสุดท้ายไม่มีวัยไม่มีใครแม้แต่หนึ่งคนสำเร็จตายก่อนสำเร็จเพราะสำเร็จแปลว่าเสร็จแล้วและไม่มีเศรษฐีตัวจริงตอนนี้มีแต่คนรวยเงินแต่จนชีวิต มีคนรายงานพ่อครูลุงดำตายลุ ง, ลงดาอายุเท่าไหร่เก้าสิบลุงแดงตายอายุเท่าไหร่แปดสิบอายุคือเวลาตอนนี้เรารวยเงินแต่เราไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวล า, วลาคนไม่มีเวลาน่าสงสารมากคือคนจนชีวิตไม่มีเวลาให้กับตัวเองถ้าพวกเราไม่มีบุญเก่าสักต่น้อยเนี่ยทุกคนมีบุญหมดนะ อยู่ที่ว่าบุญกับกรรมมันอะไรมันมากกว่าถ้ากรรมเนี่ยมันก็ส่งให้เรามีความอยากได้เยอะๆเราก็บอกไม่มีเวลาแต่ตอนนี้พวกเราพุทธศาสนิกชนยังสามารถปีกเวลามาได้บ้างอันนี้ถือว่ามีบุญเก่าถ้าไม่มีนะไม่มีเวลาเวลา24ชั่วโมงของเราเนี่แก้ปัญหาที่เราทําอยู่ก็ยังไม่พอเลยเราจะเวลาที่ไหนมาแสวงทำอันนี้แสดงว่าส่วนที่เป็นบุญเราก็มี ไม่ธรรมดาตอนนี้มันดึงกันอยู่โดยเฉพาะเด็กๆพราครูสงสารเด็กยุคนี้เขาไม่ใช่มีทางเลือกเพราะถูกใส่โปรแกรมใส่บท อ, อยู่ในสังคมก็เป็นอย่างนี้หมดเขาไม่มีทางเลือกพราะครูมาใหม่ๆยี่สิกปีก่อนมาที่นี่อุ้มลูกสองคนน้องขีสองขวบครึ่งน้องดอนหกเดือนจากเมืองนอกมาอยู่บ้านนอก ญาติพี่น้องต่อว่าพ่อครูว่าพ่อครูคุมถุงชนไม่ให้โอกาสลูกพามาอยู่ในป่าทําไมพ่อครูถามว่ามีอะไรไม่ดีเหรอนะตอนอยู่ในเมืองเนี่ยเขาเป็นลรคไข้หวัดบ่อยๆเป็นภูมิแพ้พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยถอดรองเท้าวิ่งก็ไม่เจ็บเขาใส่รองเท้าหนังแท้ยิ่งใส่ก็ยิ่งหนาทุกวันนี้ยี่ห้อบแบรนด์เนมหนังเทียมทั้งนั้นแหละ ใส่นั้นพักหนึ่งก็สึกถามว่ามีอะไรไม่ดีเหรอเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะตามเขาไม่ทันกอเข้าใจละไปเปิดพจนานุกรมนะคำว่าตามไปว่าไม่ทัน follow is mean behind ตามไปว่าท่ามันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันพวกครูบอกจริงเหรอพวกครูไม่ให้โอกาสลูกพวกครูให้โอกาสเขามาสัมผัสธรรมชาติ แต่พ่อแม่รักลูกทุกวันนี้นี่ไปใส่โปรแกรมให้มันลูกต้องสู้ตายนะต้องต่อสู้นะอดทนนะลูกเพื่ออนาคตเราไม่เคยเปิดโอกาสให้ลูกมาลิ้มรสธรรมชาติเลยเรานั่นแหละคุมถุงชนเขามาอยู่ที่นี่พระครูพากลับไปเที่ยวอเมริกาบ้านเกิดมังนอนเขาบ้านกรุงเทพเราก็มีเขาเลือกเองว่าเขาจะอยู่ที่นี่ความวุ่นวายเขาไม่เอาเพราะเราไม่ใส่โปรแกรมผิดผิดให้เขา เราสอนให้เขารู้เท่าทันโลกอยู่กับโลกให้ได้ไม่ได้สอนให้เขาตามโลกเพราะครูตามไปสี่สิบปีไม่ใช่เขาถูกหลอกไม่ใช่หลอกเราคนที่บอกเราเขาก็ถูกความคิดผิดเขาหลอกรุ่นต่อรุ่นไม่ได้บอกว่าคงบุญเก่าก็บุญเก่านั่นแหละทาให้เราไปเห็นทุก เห็นทุกในขณะที่ธุรกิจจับอะไรมันก็มันเหมือนฟุกเหมือนอะไรเหมือนมันง่ายไปหมดเ้าทําให้เราเห็นว่าเธออยากได้เธอก็ได้แล้วไงสุขสิมันไม่สุขเลยมันมีแต่ความกังวลห่วงใหญ่ไม่เกี่ยวกับเงินแล้วเกี่ยวกับเรื่องศักดิ์ศรีต้องชนะ และคอมพิวเตอร์ยุคนั้นน่ะที่เราไปจับงานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันตัวเลกที่มันขายไปทั่วโลกเนี่ยถ้าช้ากว่าเขาหนึ่งเก้าหมายถึงเป็นขยะถ้าเร็วกว่าเขาครึ่งเก้าหมายถึงมหาศาลเราเป็นนักสู้เราก็กลัวแพ้มันส ะ, มสะสมอารมณ์ความเครียด จนได้รางวัลชีวิตคือเป็นไมเกรนอย่างแรงและความเครียดลงกระเพาะนี่คือรางวัลชีวิตไงแล้วก็แก้ไม่เป็นก็ไปหาหมอเขาก็ให้ยากินระงับปวดประคองเฉยๆไม่มียารักษาหายขาดไม่มียาลักวิเศษที่ไหนรักษาโรคเวนีนโรคกลัมแค่บรรเทา ปวปุ๊บกินบันเทาปุ๊บก็คิดอีกเพราะอาชีพเราเนี่ยต้องคิดเนเราถูกสอนมาต้องคิดเก่งๆนะลูกถ้าใครไม่คิดนี่คือคนโง่คิดไม่เป็นเราถูกตราหน้าตลอดเราก็กลัวว่าเราจะเป็นคนโง่เพราะเบื่อมามันก็คิดทํำยังไงภาษาอก็บอกเราว่าไปเที่ยวยังไม่ไปเลยก็รู้ว่าจะไปทําอะไรแล้วทํามาหมดแล้วไง เหมือนตอนนี้อะนะการท่องเที่ยวกลายเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวคนโบราณเขาท่องเที่ยวเที่ยวยังไงรู้ไหมท่องไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆ ไ, ไม่มีเงื่อนไขเวลาฉันจะตื่นกี่โมงในกี่เมืออันนี้ไม่ได้แก้งตื่นตีสี่ตีห้านั่งรถไปสามี่ชั่วโมงอะไรอะไรเนี่ยแล้วก็บอกสนุกเอาตัวเองไปทรมานคือทำงานเหนื่อยแล้วเนี่ยเอาทรมานให้มันเหนื่อยมากขึ้น อาศัยความสนุกสนานความพอใจของกิเลสกบเกินความเบื่อได้ชั่วคราวพอกลับมาอีกมันก็เบื่ออีกมันเป็นความสุขจอมปลอมมันไม่ใช่สุขแท้เป็นแค่ความสะใจพึงพอใจทีนี้ก็สแสวงหาเที่ยวนะไปในสิ่งที่เราไม่เคยไปแต่ขบวนการของมันก็เหมือนเก่าคือนั่งรถลงเรือขึ้นเครื่องบินไปเดินลายไปอะไรๆเป ล, ล, ล, ล, ลีเปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเอง หลอกตัวเองตลอดเพื่อกบเกอนความรู้สึกเบื่อแล้วทำงานหนักๆๆอีกแล้วก็ไปใช้เงินไปใช้เงินตอนนี้มันลามเข้ามาถึงชุมชนแล้วนะพรากูพยายามจะสร้างงานใช้อุบายเพื่อไม่ให้เขาทิ้งลูกเมียไปบางคนมาฟ้องพรอกูว่าสิ้นเดือนเงินเดือนออกมันเมากันในหมู่บ้าน บอกแล้วไงแล้วไงนั่นแหละคือความสุขของเขาเขาก็กบเกอนเงินที่ใช้มาเดือนหนึ่งทั้งหมดเนี่ยใช้ให้มันหมดวันเดียวเพราะเขาเบื่อเอาละ่ะเขากินที่นี่เขายังไม่ทิ้งลูกเมียเขาถ้าเขาไปกินกรุงเทพมันก็หย่าล้างกันก็ให้มันกินที่นี่แหละเขาไม่ได้ศรัทธาอะไรกับพ่อครูเพียงแต่ว่าเขามาในนี้เขามาทางาน พวกคูณเห็นแล้วมันลามเข้ามาถึงหมู่บ้านแล้วไอ้ความคิดแบบวัตถุนิยมทุนนิยมแบบหาเงินหาเงินแล้วเอาเงินมาซื้อความสนุกสนานนะระดับนี้โดยเฉพาะอเมริกาชัดเจนนะเราอยากรู้ว่าใครมีฐานะแค่ไหนว่างๆขับรถไปตามหมู่บ้านต่างๆหมู่บ้านต่างๆหมู่บ้านนี่เราเราเราเข้าๆรู้เลยว่าเขามีอินคัมมีรายได้เท่าไหร่ ราคาบ้านประมาณเท่าไรใช้รถยี่ห้อไหนชัดเจนมากพอะไต่เต้าขึ้นก็พยายามมูฟตัวเองให้หมู่บ้านที่มันคำว่าดีกว่าเก่าคือแพงกว่าเก่าหรูหรากว่าเก่าแล้วก็เป็นโรคหวาดผวากลัวตกงานเพราะว่าเอาเงินอนาคตมาใช้กันหมดผ่อนส่งบ้านผ่อนส่งรถตอนนี้เป็นอย่างนี้หมดก็ เมืองไทยเรากำลังจะเข้าสู่เนี่ยพรุ่งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นปีหน้าแหละสิ้นปีนัดหมายคือ AEC ปัญหาในบ้านก็ยังทะเลาะ ก, กันไม่จบก็จะไปวิ่งหาปัญหาใหม่มองแต่ว่าจะได้อะไรแล้วคนได้นั่นเป็นคนที่มีสถานะมีเงินแต่คนจนเนี่ยเตรียมตัวทุกข์มากขึ้นการแข่งขันยื้อแย่งมันจะมากขึ้น คนที่ได้ขยับมือเดียวต้องมองแต่เรื่องเราจะได้คนจนเขาไม่ได้มองหรอกเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้อะไรเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้ววันนี้พ่อพ่อครูที่เพิ่งได้ยินข่าวนะออกมาว่าอาจจะร่วมไม่ทันหลายประเทศไม่พร้อมถ้าปีหน้าเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยเข้าไม่ได้นะฟองสบู่จะแตกครั้งใหญ่ เพราะทุกคนเอาเงินอนาคตมาทุ่มเทนในชายแดนเยอะมากทำเพื่ออนาคตมันไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงเราทำเกินตัวไม่ใช่ทางสายกลางคนจนก็ทำเกินตัวมหาเศรษฐีก็ทาเกินตัวเพราะอยากได้มากขึ้นทำลายทรัพยากรของโลก ได้มากขึ้นคือความหวังคือคาดหวังถ้าได้ก็ดีใจแต่กว่าจะได้มาเนี่ยทุกพจน์ต้องลุน้นต้องเครียดต้องแก้ปัญหาแต่ถ้าไม่ได้มาก็ยิ่งทุกข์ยิ่งกว่าเพราะความโลภของคนนะพาะกูลเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าโลภมันเกิดอะไรขึ้นทางตะวันตกเซฮัลโหลจับมือกัน แต่ใจนั้นจ้องที่จะเอาเปรียบ ก, กันมันไม่ได้จริงใจพอผลประโยชน์ร่วมกันกูเนะพอประโยชน์ไม่ร่วมกันนะักกูจะห้ามหันกันลหรมันไม่มีคุณธรรมในโลกนี้นะที่พูดทั้งหมดนี่ไม่ใช่เราเกิดวิตกจดิตเรืออะไรหรอกมันมีสิ่งเตือนภัยหลายอย่างอย่าชะล่าใจอย่ามองโลกในแง่สวยมากเกินไป มองโลกในแง่ความเป็นจริงทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงพราะครูบอกแล้วไนงะถ้าเอซีนี่มันล่มฟองสบู่ลูกใหญ่กระทบไปทั้งโลกเราเอาเงินอนาคตมาใช้กันอย่างจังหวัดอุบลพราะครูบอกนะไม่มีอะไรใหม่เลยพื่ออะไรก็ว่ามีราคาไม่เจอแร่ทองคำไม่เจอบ่อน้ามัน มาลงทุนใหญ่เลยเพ่าหวังว่าอนาคตเออีซีหวังว่าเธอจะมาเที่ยวฉันฉันก็มาเที่ยวเธอประเทศอื่นเขาก็หวังอย่างนั้นไม่มีอะไรใหม่มนุษย์เราไม่ได้รวยขึ้นไม่มีทรัพยากรอะไรที่มันมันจะรวยขึ้นมีแต่ว่าทำลายล้างผ่านแล้วก็หวังว่าเขาจะเอาเงินมาบ้านเราเราเขาจเนเขาก็หวังกันหลังแต่หวังกันเป็นอย่างนี้นะ และทำอะไรเกินตัวเราเห็นตัวอย่างแล้วว่ายุโรปยูโรโซนอียูเขาพร้อมกว่าเรามากทุกประเทศเขาก็กำลังจะแย่แต่ทุนนิยมเขาไม่แคร์หรอกเพราะเขาเพราะเขาคิดว่าเขาจะได้แต่โดยองค์รวมของประเทศนี่คุมไหมต่อไปตั้งแต่เริ่มกรรมกรเลยนะ เดือดร้อนตั้งแต่กรรมกรเลยขึ้นไปนอกจากทุนใหญ่จริงๆคุณข้ามชาตินั่นเขาได้ได้ไม่กี่คนกรรมกรจะถู ก, ถกแงกแย่งงานยังไม่เปิดทีเลยตอนนี้เนี่ยคนหลายประเทศก็ลุมเข้ามาเมืองไทยทั้งพมา่าทั้งเขมรทั้งอะไรมันจะวุ่นวายมากสาธารณสุขเหมือนกันเราลงทุนทำวัคซีนเนี่ยป้องกันคนในชาติเท่าไหร่แต่ เ, เนื่องจากต้องการเศรษฐกิจนี่ปล่อยเข้ามาหมดเลย แล้วยังไงเอ้ยพวกครูทำไมพูดเรื่องพวกนี้ไม่ใช่การเมืองนะ น, นี่พูดเรื่องสังคมเราไม่รู้มันไม่ได้เราต้องรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งโลกที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นชี้ให้เห็นแต่ไม่เห็นเหมือนคนเล่นกระดานโต้คลื่นกาลังสนุกอยู่มองแต่ว่าชั้นสนุกบางคนตะชิวกินขาจมน้ำตายคนที่เหลือก็ร้องไห้หน่อยหนึ่งก็เล่นกันต่อเพราะว่า คิดนอกกรอบไม่ได้ตอนเราสนุกเราไม่เห็นอันตรายของมันนะสมัยเด็กๆพ่อครูเคยศรัทธารัฐบุรุษโลกคนหนึ่งคือมหาตมะคันธีท่านเสียสละนะต่อสู้แบบอหิงสาจนขับไล่ผู้บุกลุกคืออังกฤษถอยออกไป อินเดียเฉลิมฉลองไม่กี่วันมหาธรรมทันทีก็ถูกคนอินเดียฆ่าตายมันไม่จบหรอกมันไม่จบแล้วท่านบอกว่ายังไงรู้ไหมคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านตอนนั้นพ ก, กูไม่เข้าใจคำตอบต้องอยู่ที่มาหาวิเลยสิอยู่ที่ห้องแหลปสิอยู่ที่ห้องสมุดสิอยู่หมู่บ้านแต่หลังจากพ ก, กูมาอยู่ใหม่ๆห่ห้าปีพ ก, กูถึงรู้ว่าโอคําตอบอยู่ที่หมู่บ้านจริงๆ อย่างในเมืองเนี่เมืองใหญ่เนี่ยเพราะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่บางทีเราไม่รู้เลยนะแต่หมู่บ้านเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งเนี่ยเราสัมผัสได้เหมือนเราอยู่ริมทะเลเนี่ยคลื่นมันพัดมามันหอบเอาคนในหมู่บ้านเนี่ยไปหมดตอนนี้หนุ่มสาววิ่งตามเงินคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้านก็ไม่เห็นรวยกลับมาบางทีไม่มีเงินกลับมาบ้านต้องขอทางบ้านโอนเงินไปข้ารถมาชีวิตชุมชนแบบ อกุณแบบวิถีไทยล่มสลายหมดเด็กก็ถูกทอดทิ้งคนแก่ถูกทอดทิ้งวิ่งไปตามวัตถุนี้อยู่เนี่ยพ่อครูเห็นชัดคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านเอาไม่อยู่แล้วนะหลายปีก่อนพวกครูเคยพูดถ้าไปเอาซีดีเก่าๆมาฟังจริงๆแล้วพวกครูกีดกันความเจริญที่นี่มาหลายปี แต่ช่วงหลังพวกกูเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่คือความเจริญไงสวนยางไงกิโ ล, ละรัตร้อยกว่าบาทชาวบ้านขายที่ทิ้งหมดแล้วสวนยางที่เราเห็นเนี่ยเปลี่ยนมือหมดและตอนนี้ก็กำลังจะตายไม่ใช่มันสวนยางเฉยๆนะคนที่มาทำสวนยางก็หอบอากิเลนเข้ามาด้วยความแห้งแรง เป็นชุมชนที่อบอุ่นสงบเย็นมันเริ่มไม่สงบแล้วตอนนั้นนะ่ะพวกทุนข้ามชาติในเมืองไทยนี่เองเนี่ยมาให้ข้อคิดว่าชาวบ้านจะโง่ทําไมข้าไม่มีราคาคุณก็ปลูกยางสิแล้วรัฐบาลก็ตั้งอะไรละ่ะองค์กรอะไรที่มาส่งเสริมปลูกยางแล้วตอนนี้ปล่อยเขาตายเองเขาอยู่ดีๆของเขาเขาจนอยู่ดีๆของเขา แต่เราไปส่งเสริมให้เขายากจนไอ้จนอยู่ดีๆยังไงเพราะคุณมาทันในยี่บหกปีก่อนในบุบ้านต้องไปเช็คว่ามีใครรวยบ้างจนหมดแต่เขาไม่ทุกข์ไงเราอยู่ริมเขื่อนในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ตอนนี้คุณต้องการช่วยเหลือเขาให้เขาเจริญบอกอย่างนี้ไม่เจริญนะมาสอนเขาไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนโครงการนั่นโครงการอีสานเขียวกันยังได้ ส่วนยานก็ไปส่งเสริมเขานั่นแหละแล้วยังไงชาวบ้านเนี่ยถ้าเขาเป็นหนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยคือตลอดชีวิตเลยเขาต้องจ่ายไม่หมดเขาจนอยู่ดีๆตอนนั้นเขาจนเขาไม่มีทุกข์ไงหิวก็กินง่วงก็นอนลงน้ําก็มีป่าเข้าป่าก็มีอาหารมีหน่อไม้มีสมุนไพรเต็มไปหมดที่นี่เหตุเถิดเยอะแยะแต่ตอนนี้ล้างผ่านหมดแล้วอาหารธรรมชาติเขาไม่มีป่าในเขื่อนก็ล่อยหรอ เพราะเอาแบบลางผ่านไงทำทุกอย่างหาเงินมาจ่ายหนี้ความยากจนเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาอยากรวยตอนนั้นจนอยู่ดีๆที่บอกดีๆยังไงก็มันไม่มีหนี้พอมีหนี้ปุ๊บมันยากจนอะยากไหมนอนไม่หลับไม่จ่ายเขายึดที่เราพัฒนาจากคนจนกลายเป็นคนยากจนอย่าดีใจนะ คนที่มีโอกาสดีเนี่ยนะเราดีขึ้นจากทางตรงทางอ้อมเขาช่างโดยการเบียดเบียนคนที่เขาไม่มีเป็นกรรมหนักเพราะคูระเบิดปุ๊บเพราะคูเห็นเลยเพราะคูหยุดโลกไม่ได้เพราะคูหยุดตัวเองได้ในประเทศตัวเองจากมุมนอกมาอยู่บนนอกเพราะคูหยุดกรรมนั้นไม่ได้แต่เพราะคูไม่ร่วมสังกกรรม พ่อครูไม่ห่วงอนาคตรหรอกฮวงอนาคตลูกของพ่อครูเนี่ยถึงจะไม่พ้นทุกข์ก็ทุกน้อยหน่อยหนึ่งเขาต้องอยู่กับโลกนี้แล้วทําสิ่งที่มีคุณค่าตอนนี้น้องขีบวัชีแล้ว น, นี้จบปริญญาโทมาดูแลโรงเรียนเด็กยากจนที่นี่เขาให้ทุกวันพ่อครูสอนเขาอย่างนั้นไงเขาไม่ต้องไปเล่นเกมได้เสีย เป็นชีวิตที่มีคุณค่าจริงๆทุกวันนี้ชีวิตเรามีแค่ราคาแต่ไม่มีคุณค่าเลยไร้สาระไอ้แค่อเออทำงานเก่งๆหาเงินแล้วไปเสพสุกกันนั่นแพ้ลิงนะลิงไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นโดยมันก็อยู่ได้ลิงไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องทำงานไม่ต้องมีเจ้านี่ลูกนี่ไม่ต้องมีมันก็ลิงโลดไงแค่ทำงานอยู่ได้สร้างร่ารวยตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เก่งอะไรเลย แค่เอาเปรียบคนอื่นเก่งเท่านั้นเองในแง่ชีวิตเราเนี่ยไม่มีคุณค่าแต่เราคิดนอกกรอบไม่ได้เพราะคูเข้าใจเพราะครูเป็นอย่างนั้นมาแล้วเราไม่มีเวลาคิดอะไรเราคิดแต่ว่าเราอยู่ในเกมเราต้องเป็นผู้ชนะบางทีสร้างไปทําไมก็ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าชีวิตต้องสู้ไงแล้วสุดท้ายทุกคนสู้ตาย สู้จนวันตายวันจะตายแล้วเนี่ยยังเรียกลูกเรียกหลานมาสู้ต่อกลัวมันไม่ทุกข์เหมือนเราเราลักลูกจริงเหรอเรากลัวมันไม่ทุกข์เหมือนเราแม้กระทั่งพ่อแม่บางคนเนี่ยลูกจะมาบวชกลัวว่ากลัวลูกจะไม่สึกกลัวลูกมันจะไม่ทุกข์กลัวลูกถูกคนอื่นกา่าบไห้ เนี่ยแล้วรักอนาคตลูกเราไม่เคยรักลูกเลยนะเกินเกินยิ่งจากว่าคืนนี้เนี่ยเราจะปฏิบัติข้ามปีนะเที่ยงคืนหนึ่งาทีแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปปล่อยคมลอยในลานผ้าใหญ่ ถ้าในทางโลกถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่อยู่กับแสงสว่างแล้วทุกคนเนี่ยอย่าให้เวลามันผ่านไปเฉยๆปีหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยอย่างน้อยๆต้องเรียนรู้อะไรบ้างส่วนทำแล้วมันได้มันเสียนั่นเป็นเรื่องลองคนที่ได้ก็อย่าหยามใจต้องรู้ว่าได้เพราะอะไร และคนที่เสียนั้นอย่าเสียใจต้องดีใจที่เราได้ประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ไม่มีของเสียได้ก็ต้องดีใจเสียก็ต้องดีใจเราเสียโอกาสในการได้เงินเรามีโอกาส ร, รู้สึกว่ า, วารสชาติมันแพ้เป็นยังไงเราเรียนรู้ว่ามันแพ้เพราะอะไรได้ประสบการณ์อย่างยิ่งเราเรียนตั้งแต่นุบานจนปริญยาตี ท, ทวเอกเรียนทําไมลงทุนลงแรงเรียนเพื่อได้มีความรู้ ถ้าเราทำอะไรมันพลาดเนี่ยเป็นความรู้อย่างยิ่งเสียใจทำไมเอาเป็น่ปีที่ผ่านไปอย่าให้มันผ่านไปเฉยๆเราต้องได้เรียนรู้กับมันนะบางคนไม่ใช่เก่งหรอกนะบางคนเกิดมาพ่อแม่ก็เป็นเจ้าของธนาคารเรียนห้องเดียวกันเพื่อนคนหนึ่งจนมากเลยมันสอบที่หนึ่งเกียรตินิยม ให้ลูกเศรษฐีนี่ตกบ้างไม่ตกบ้างอาศัยเส้นพ่อก็ผ่านพลนมาวันรับปริญญาจบแล้วเนี่ยคนหนึ่งเป็นนั่งแป้นเป็นผู้บริหารธนาคารไอ้เลี้ยนที่หนึ่งเนี่ยเดินหางานทำมันแข่งกันได้ไหมแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แข่งบุญวันาไม่ได้แต่ที่สำคัญว่าแข่งไปทำไมตัวนี้ต่างหากคุณชนะแล้วยังไงคุณมีความสุขจริงห คุณแพ้อะไรยังไงทุกจริงเหรอถ้าเราแพ้ให้เป็นนี่นะแพ้นี่เป็นความสุขอย่างยิ่งเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนเราเป็นพระแล้วเป็นพระผู้ให้การให้ยิ่งใหญ่การให้เป็นความสุขอย่างยิ่งไม่ใช่การเอาการได้พอเอาแล้วได้กิเลสมันหยามใจมันจะเอาอีกพอวันไหนมันเอาไม่ได้มันก็ทุกข์ฆ่าตัวตายก็มี เราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เราถูกใส่โปรแกรมเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่เด็กพราะครูถึงบอกแล้วไงบุญบาปมีจริงพราะครูนี่พึ่งบุญเก่าล้วนๆเลยเพราะ40ปีพึ่งไปตามโลกศีลห้าบอกไม่ให้ทำอะไรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธโดยที่ไม่รู้ว่าคืออะไรสนุกสนานตามภาษาคนหนุ่มถ้าไม่ใช่บุญเก่าพราะครู อยู่ชีวิตมานั่งอยู่ที่นี่ได้ไหมไม่มีทางบุญบาปมีจริงที่องค์พระใหญ่เร็วๆนี้เนี่ยอาจารย์ปรเมีเนี่ยอัญเชิญพระปางประสู ต, ติตรัสรู้ปรินิพานมาให้พ่อกุบังเอิญตรงฐานพระใหญ่ข้างหน้าเนี่ยเราทำเป็นเมนเผาสกพ่อกูบหมกตั้งตรงนั้นแหละ แล้วก็พร้ครูเขียนป้ายอยู่ข้างหลังฐานพระบอกว่าสี่คนหามสามคนแห่สองคนนั่งแค่หนึ่งคนพาไปถ้าทุกคนตีโจทย์ตัวนี้แตกเราจะรู้ว่าเราเป็นใครเราประกอบด้วยอะไรตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราคือคนที่ชื่อว่าบัญชาบรรชานี้ของปอมเป็นแค่ชื่อสมมุติสี่คนหามพู้คูก็ทํา เสาสี่ต้นมันหามสาลาตรงนั้นอยู่สี่คนนี่คือดินน้ำหลงไฟประกอบเป็นร่างกายมนุษย์สามคนแห่บังเอิญองค์พระเนี่ยปางประสู ต, ติตรัลูปรินิพานก็คือกฎพระไตรลักษณ์เราอยู่ในกฎเกณฑ์กฎพระไตรลักษณ์คือลักษณะสามประการของธรรมชาติคือ อ น, นิจจังทุกข์ขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์พบเดำลงอยู่ได้ยากถามว่าเราอยู่ได้ล้านปีไหมไม่มันเป็นอนัตตาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเป็นของชั่วข่าวเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายเศรษฐียิ่งใหญ่ขนังแม้กระทั่งเทวดาก็อยู่ในกรอบหลักการสามประการนี้นี่คือสี่คนหามสามคนแห่สองคนนั่นแค่พาะครูก็ทาหลังคาสองชั้น สองคนนั่งแค่คืออะไรคือบุญกับบาปก็คือกรรมที่เราทําเราทําอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมโปรแกรมที่เราสร้างคนอื่นไม่รู้จิตบันทึกไว้เราหนีไปอยู่ในป่าคนเดียวนั่งกรรมาฐานสบายสบายไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปสร้างกรรมเลยไม่มีใครรบกวนพอนั่งปุ๊บคิดเกียรติชังในกอแค้นในขอ คนอื่นไม่รู้จิตบันทึกแล้วมโนกรรมเราหลอกจิตเราไม่ได้ไม่มีความลับในโลกนี้เมื่อจิตเราบันทึกแล้วจิตที่เขาบำเพ็ญเพียรมาแล้วเขาไปล่วงความลับเราได้เขารู้หมดว่าคุณทำอะไรไม่มีความลับในโลกนี้นี่คือสองคนนั่งแค่ใครไม่อยู่นอกเหนือจากสองอย่างนี้คือบุญกับบาป หนึ่งคนพาไปวันนั้นเราเผาศพยายหน่วยเป็นสมาชิกครอบครัวใหญ่เรานั่นะจิตสุดท้ายเนี่ยนำเราไปสู่โลกที่ดีขึ้นหรือเร็วลงอยู่ในล่านที่ดีขึ้นเรล็วลงหนึ่งคนพาไปชีวิตเรามีอยู่แค่นี้ตอนนี้เราไปสร้างความยิ่งใหญ่จนเหมือนว่าเราจะไม่ตายมุ่งหาความรวยกันแต่ไม่เคยเตรียมความพร้อมที่จะตายเลยเพราะ ตายแน่แน่ส่ ว, สวนรวยหรือเปล่าไม่รู้แต่พระครูบอกเลยนะไม่มีวันรวยแต่อาจจะรวยเงินคือเงินมากขึ้นเรียกว่ารวยแต่ไม่มีวันสําเร็จจนแปลว่าไม่มีหรือมีอย่างไม่พอรวยเพราว่ามีเหลือล้นพอแล้วถามว่าเศรษฐีโลกหนึ่งในสิบโลกพอหรือยังยังก็แสดงว่ายังจนอยู่ถ้าไม่พอ ไม่มีวันสำเร็จแล้วก็ไม่มีวันรวยแต่คำว่าพอเพียงของในหลวงเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากนักวิชาการไม่รู้ก็มาบอกว่าแค่พออยู่พอกินพอใช้เอาเรื่องวัตถุคนไม่ใช่คุณบิลเกตยังไม่พอเลยใครพอต้องเริ่มจากพอใจเพียงแค่มีมีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจ แต่ไม่ได้ว่าพอแล้วพู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจนะขยันขันแข็งทำหน้าที่เราต่อไปแต่ขยันขันแข็งก็เพียงพอนะดิ้นลนขวัญขวายมากไปดิ้นลักษณะคนกำลังจะตายตกน้ำตายลนลุกลี้ลุกลนคนกาดสติสองคำนี้รวมกันพูดหน้าตาเฉยว่าชีวิตต้องดิ้นลนขวัญขวายนี่แหละคือแห้งแล้งหิวกระหาย แห้งแรงจนหิวกระหายจนอะไรไม่มีเวลรจะกินกินหินกินทรายกินเหล็กกินภูเขาตั้งลูกฉันก็กินยักษ์ก็ยังกลัวนะมนุษย์ทุกวันนี้เพราะมันหิวกระหายแห้งแรงถ้าเราเข้าใจปัจญญาชีวิตเราชีวิตเราคืออะไรประกอบด้วยอะไรเนี่ย ศูนย์เราเตรียมตัวตายทุกวันตอนเช้าและยายหนวยทำสาเร็จถ้านอนตายเหมือนนอนตอนเช้าทุกวันปุ๊กเลิกจากนี้เก้ามงไปสามทุ่มจะไปห่มผ้าให้แม่คิดว่าแม่นอนหลับเฉยๆไปตบหน้าแม่อะไรแกก็นิ่งเฉยๆจับมือก็หล่นลงมานิ่มตื่นเช้าขึ้นมายังนิ่มอยู่ถ้าเราตายไม่เป็นนะตัวแข็งหมด พับเดียวก็เน่าเหม็นวินาทีที่เราตายเป็นกับตายไม่เป็นนี่มันต่างกันมากตายที่วางไม่ลงนี่มันจะหลั่งสารชนิดขึ้นอะไรที่มันตายมันต้องรีไซเคิลมันต้องเน่าอะไรที่มันไม่เน่าคือมันยังไม่ตายไม่ใช่ใ ย, ยนวยไม่ยังไม่ตายนะความเป็นใ ย, ยนวยเนะี่ยหัวใจไม่เต้นแล้วแต่เซลล์ในตัวใ ย, ยนวยเนะี่ยยังมีวิญญาณเซลลนั้นยังไม่ตาย ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติถึงจุดนี้แต่ไม่ใช่ตัวถึงขั้นละหันนะแค่วินาทีนั้นปล่อยวางได้จิตเราบรรลุอีกขั้นหนึ่งที่อุบลเราก็มีที่ขงเจียมหลวงพ่อคำคำหนึ่งเซลยังไม่ตายผมยังงอกออกมาเลยเล็บยังยาวขึ้นปีหนึ่งสาสางทิน เพราะในออกในอากาศมันมีออกซิเจนถ้าอะไรตายแล้วต้องเน่ามันหมายถึงว่าเวลานั้นน่ะถ้าเราตายไม่ลงทุรนทุนลายน่ะเหมือนกัวเห็นไหมเราจูงเข้าลงฆ่าสัตวนะ์น่ะเกิดมาชาติดีมันไม่เคยเข้าลงฆ่าสัตว์เลยแต่สันชาตยานมันรู้น้ำตามันไหลนะที่พระเจ้าก็บอกว่าสัตว์ใหญ่หลีกเลี่ยงอย่าไปกินมัน มันบันทึกสัญญาได้มันบันทึกสัญญาได้มันมีความแค้นเราพอมันแค้นวินาทีนั้นเอาไปฆ่ามันแค้นนะแล้วเราไปกินเนื้อมันบ่อยๆเนี่ยมันส่งผลกับเรามันเชื่อมโยงกันพวกครูก็แปลกนะตอนอยู่อเมริกาเนี่ยอาหารจานโปรดพวกครูคือทีบงสเต็กทุกอาทิตย์ อาทิตย์ไหนขาดรู้สึกว่ามันงดเจ็ดแต่มันระเบิดแล้วมันใกล้ไม่ได้เลยเหม็นมากเลยกินไม่ได้เลยและทุกวันนี้ยังจำได้ไ้ยไพ่อคูเคยกินทีโบนสเต็กเคยสูบบุหรี่วันหนึ่งสามสี่สองกินเหล้าทุกชนิดโกหกเราเป็นนักธุรกิจเราเข้าใจว่าการโกหกคือเทคนิคพ่อคูจำได้หมดแต่พ่อคูจำอารมนั้นไม่ได้ จำรสชาติมันไม่ได้มันระเบิดตรงนั้นทิ้งเมื่อมันมันไม่มีความอยากแล้วแล้วทำไมมันต้องคิดล่ะยี่สิบหกปีพวกกูไม่ต้องใช้ความคิดเลยที่เราคิดเพราะเรามีอนาคตเพราะเราถูกสอนให้สร้างอนาคตทุกคนก็เลยเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่แล้วได้รางวัลชีวิตคิดจนเดียงสุดท้ายได้เงินมาก็ไม่ได้ใช้หรอกเอามารักษาโรคภัยไข้เจ็บ แต่ไม่ใช่เราไม่ทํางานทุกวันนี้ไม่ทํางานเขาเอาเงินมาเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนวัตปัจจัยสี่แต่บ้งเงินปัจจัยสี่เราไม่เคยสนใจเราไปซื้อปัจจัยหปัจจัยหแล้วไปทุกขเพื่อจะรักษามันไว้สร้างบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็ต้องไปนั่งเฝ้าบ้านกลัวบ้านมันหายบ้านหลังเป็นร้อยล้านพันล้านนะสร้างกําแพงยังกับคุก แต่แกงเหล็กอะไรไฟไหม่มาก็หากุญแจไม่เจอบางทีเผามันตายที่นี่ไม่มีหรอกไม่มีที่พักพระกูเนี่ยออกมาไม่ต้องล็อกไงความสงบเย็นความรู้สึกมั่นคงมันต่างกันคำว่ามั่นคงไม่ได้ไปว่ามีเยอะๆมีเยอะๆก็กลักวเขามาปล้นกลัวเขามาขโมยเนี่ยมันไม่เคยมั่นคง ความมั่นคงเป็นความรู้สึกของจิตเราไม่ต้องกังวลเพราะครูบอกว่าในศูนนี้สำหรับพระครูนะไม่เคยมีของหายเลยมันอาจจะหายทุกวันก็ได้แต่ไม่ใช่ของเราไงของเราจะหายได้ยังไงเราก็ไม่ต้องกังวลทำบุญแจกทุกวันเนี่ยมันหายหน่อยก็ช่างมันไงไปทุกข์กันทำไมนี่คือความมั่นคงไม่ใช่ของเราสักอย่างหนึ่ง แต่แล้วเข้าใจว่าต้องมีเยอะๆก่อนมีลาบยศสรรเสริญเมื่อกี้พูดถึงคุณพ่อคุณเล็กมันก็ลืมพูดต่อไปคือคนจีนมันเอินว่าพราะกูเคยไปเรียนภาษาจีนที่ฝั่งลาวตอนเด็กๆต้องขโมยข้ามไปเรียนนะตอนนั้นคุณแม่ค้าขายใตไตวันอะไรเขาก็อยากให้เราไปเรียนไม่ได้ใช้มากี่ปีแล้วน่าจะเป็นห้าสิบปี แต่พอเขเอ่ยมาเพราะกูยังพูดได้แต่ภาษาอังกฤษเพราะกูเพิ่งทิ้งมา26ปีมันลืมเกือบหมดแล้วทำไมเพราะภาษาอังกฤษมันเกิดจากเราจำแต่ภาษาจีนตอนนั้นคล้ายๆว่าพูดทุกวันเขาพาเราพูดครูบาอาจารย์ตรงราวมาจากปักกิ่งเพราะกูก็สนทนากับแกแกพูดภาษาจีนคนจีนเขามีคำหนึ่งว่าหมิงลี่ มิงนี่ไปว่าชื่อเสียงลี่นี่ก็คือผลประโยชน์คือลาบส ก, กาละคนเราทุกวันนี้เนี่ยไปต่อสู้ดิ้นรนขนดิ้นรนอดทนต่อสู้เพื่อจะสร้างลาบยศสรรเสริญจนไม่เอาชีวิตทีนี้คำว่าชีวิตของจีนจีนกลางเขาเรียกว่ามิ่งมิ่งนะ กับหมิงหมิงนั่นคือชื่อเสียงก็บอกเขาว่าเขาแสวงหาหมิงดิฟางเียวเี้ยวมิงเหรอเียวมิงคือไม่เอาชีวิตแล้วคำว่าพิ่งมิงก็คือว่าเอาชีวิตเนี่ยเอาคำว่ามิงนี่ชีวิตเนี่ยไปทุกข์เข็นไปพิ่งกระเสือกกระสนเพื่อจะสร้างาลาภกุศลเสริญ เพรเราถูกสอนสร้างอนาคตไงเอาชีวิตเราไปทุกเพื่อสร้างอนาคตเราไม่เคยทําเพื่อชีวิตเลยไม่เคยเลยที่เราทําสะใจไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ทําเพื่อกิเลสต่งางๆทำงานมาเหนื่อยบอกให้ทำกำไรชีวิตไปซื้อแพ็กเกจทัวร์ไปถอสังขารไปเหนื่อยอีกถ้าเหนื่อยก็นอนพักสิเอาเวลาไปเที่ยวไปนอนเลยไม่ต้องทําอะไรนั่นคือพักผ่อน ไม่ต้องเสียสตังค์ด้วยไม่มันไม่สนุกกิเลสไม่ชอบเขาบอกกำไรชีวิตมันไม่ใช่นะกำไรกาไรกิเลสกิเลสมันชอบร่างกายก็เหนื่อยขึ้นถึงเราจะไปหนีไปพัทยาไปาไปบางแสนไปชายทะเลไปบินต่างประเทศนอนกินลมอย่เดี๋ยวมันก็คิดไม่ได้หยุดหรอกยิ่งเงียบๆนะ ย, ยิ่งคิดดี เราไม่เคยพักเลยสร้างมโนกรรมตลอดเพราะเรามีความอยากไม่ได้พักไม่พอนะกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดนิ้วก็ไม่ได้พักประสาตตามแล้วก็พักเพิ่มความเครียดให้เราแล้วโรคภูมิแพ้มันจะไปไหนล่ะโรคมะเร็งมันจะไปไหนล่ะก็เราเรียกมันมาเอง เพราะอะไรทั้งหมดเพราะอะไรลุงไหมเพราะความกลัวเรากลัวว่าเราจะทันไม่ทันคนอื่นอัปเดตอยู่เรื่อยอัปเดตอยู่เรื่อยตอนนี้ไม่ใช่อัปเดตนะอัปมินทิทุกนาทีเลยกลัวไม่ทันความกลัวนี้ผลมันคือมันคือผลของความอยากพวกคุจึง วินาทีมันเกิดระเบิดนั่นเพราะกูเลิกนับถือผู้เจ้าทันทีเลยเพราะเขาว่าคาว่านับถือนี่มันอยากไปบูชาถวายชีวิตพระองค์พระองค์ไปรู้ได้ยังไงต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากเหมือนง่ายๆนะถ้าท่านไม่บอกเราเราก็ไม่รู้หรอกทุกคนสนองความอยากหมดกลัวตัวเองไม่ทุกข์เพราะมันอยากแล้วมันทามันเฮ้ยมันดีใจสะใจไงนั่นหละกิเลส ม, มันหลอกเราดีใจสะใจแล้วก็ เห็นคนอื่นได้ดีกว่าเฮ้ยไม่ได้หยุดเอาอีกพอแพ้มาก็เลยทุกผู้เจ้ารู้ได้ยังไงไปเห็นมาได้ยังไงพ่อครูสิโลราบถวายชีวิตเดียวก็ไม่พอถวายทั้งหมดชีวิตไม่ใช่ของเราผู้เจ้ากลับคืนสู่ธรรมชาติพ่อครูไม่ได้ถ่ายชีวิตให้พุทธศาสนานะ แต่พุทธศาสนาเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้เจ้าเหลือไว้ให้เราการตัดสินอยู่รู้คุณเพราะเราก็จันร์ลงศาสนาโดยพระครูไม่ได้ประกาศศาสนาไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นการประกาศศาสนาคือประกาศพรมมาจันทร์ชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตั้นรักนิธินิกายแข่งกันแล้วก็ไปขัดแย้งกับศาสนาอื่นเขาผู้เจ้าไม่ทรงตัดอย่างนั้นพระครูก็ทําทมา26ปี ทำเพราะทำไม่คาดหวังไม่บางอาจจะไปคิดเปลี่ยนกฎแห่กงกรรมของใครสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกับช่วยกันไม่ได้แต่การให้เป็นหน้าที่เราธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่เราเด็กยากจนที่นี่เจ็ดแปดร้อยคนสองโรงเรียนเราเนี่ยชื่อเขาคืออะไรชื่ออะไรไม่รู้พ่อแม่เป็นใครไม่รู้ไม่ต้องรู้เรามีหน้าที่ให้เขาทุกวันเราไม่บางอาจช่วยเขา ให้แล้วเขาดีขึ้นอนันดโมทนาสาธุเขาไม่ดีขึ้นก็เป็นกรรมของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่าบังอาจไปช่วยคนถ้าเราคิดว่าเราช่วยปุ๊บเนี่ยเรามีอามิ t h มีเป้าหมายแล้วมันจะต้องดีขึ้นพอมันไม่ดีขึ้นเราก็ทุกข์ไงนี่มันไม่ใช่เป็นการให้ทานนะเราทําเรามีอามิ t h หวังว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นเราก็ดีใจไงเรามีอามิ t h ไม่ใช่สุญญาตาทานสุญญาตาทานคือ ท่านบริสุทธิ์ไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้สักแต่ว่าสลัดออกคือจาคะบุญคือเบาบาปคือหนักเราสลัดความโลภความตณีออกมันก็เบาจบสําเร็จบุญละเหมือนเราทุกวันนี้เราเราต้องการเงินมากกระเสือกกระสนอดหลับอดนอนเพื่อหาเงินนักบุชาแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญเหมือนเรถยนต์เงินลงไปในน้ํามันดังตุ้มสาเร็จบุญละแต่ถ้าเราโดดน้ําลงไปไปตามบุญะนะ มันไปไหนเนี่ยนะอันนี้ทรมานสังขารเนี่ยมันไม่ใช่บุญทําบุญตามบุญมันไม่ใช่บุญตอนนี้ทําบุญเพื่อจะไปสวรรค์ทําบุญเพื่ออนาคตจะได้สวยกว่าเก่าใครสอนแบบนั้นมีอา mith ทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่บุญมันเป็นแค่กิริยาในการทําบุญเฉยๆบุญกิริยาแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยเพราะมันมีอามิ t h มันไม่บริสุทธิ์ตอนนี้ซื้อบุญกันใหญ่เลย เอาเงินไปซื้อบุญถ้าอย่างนั้นเศรษฐีก็ไม่ต้องตกนรกไม่ใช่ซื้อแบบนั้นมันเป็นอุบายในการสลัดออกเพราะทุกคนยังมีความโลภการเอาออกก็คือการจากคะสลัดความโลภความตนี่เราอ่อนลงอ่อนลงเมื่อความโลภเราอ่อนลงคะการทยานอยากมันก็น้อยลงการที่ไปสร้างกรรมใหม่มันก็น้อยลง อันนี้เป็นอุบายวิธีในทางศาสนานะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่เราเดี๋ยวพระครูจะฉายสารคดีอันหนึ่งให้ฟังนะก็คื อ, อ, อมูลนที่ฉือจี้ที่ไต้หวันทำไมต้องฉายพวกเราเคยดูสองสามครั้งต้องดูอีกเป็นการเตือนสติโดยเฉพาะสตรีเพศ เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสตีบรรลุธรรมอะไรไม่ได้นี่ไร้สาระมันไม่เกี่ยวกับร่างกายข้างนอกแส่ยงชุดสีอะไรไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของจิตล้วนๆภิกษุณีเจ้าเหยียนนี่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะที่ตั้งมูนิธิฉือจี้นี่ดังไปทั่วโลกแต่ละปีเนี่ที่บอกพวกว่าเงินพูมิเจ้าเยอะมาก เงินบริจาคคิดเป็นเงินไทยหลายหมื่นล้านบาทผู้หญิงก็ทำได้และเขาไม่เขายึดอะไรไหมสี่สิบกรรมฐานเขาเอาไาแค่กองเดียวคือพรมวิหารสี่แต่ท่านสามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้สามารถทำให้เศรษฐีไต้หวันเนี่ยวันหยุดเนี่มานั่งเก็บพยาให้ท่าน นี่ของจริงมันไม่เกี่ยวกับเพศอะไรอยู่ที่ว่าเอาจริงไหมเอาจริงไหมแค่นั้นเองรนะ่างกายภายนอกมันก็เป็นสมมุติประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะอยู่ที่ว่าไอ้จิตที่มันอาศัยร่างตัวนี้เนี่ยเอาจริงไหมนะเขามีตั้งแต่ลงเก็บขยะทั่วไต้หวันและขยะนั้นเอา เขาขวดพลาสติกเนี่ยมารีไซเคิลกลายเป็นผ้าห่มแจกไปทั่วโลกตอนซิลามีเราที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็ยกทีมมามีเมตตามากเนื่องจากว่ามหาเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยเจ้าของอุตสาหกรรมทั้งหลายก็มีแต่คนเก่งๆทท่านั้น่ะมาเก็บขยะให้ท่านก็ช่วยก่อนกันออกความคิดแล้วมีโทรทัศน์ช่องของตัวเองถ่ายทำไปทั่วโลก มีโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนปถมโรงเรียนมัธยมโรงเรียนสอนแพทย์มีโรงพยาบาลรักษาฟรียิ่งใหญ่ไหมไม่ใช่แค่ไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่ในป่าเอาตัวรอยคนเดียวนะบางคนเคยพค่อครูเคยถูกต่อว่าเพื่อนเก่านั่นแหละเคยเมาด้วยกันก็บปฏิบัติธรรมก็ปฏิบททัติที่เปิดโรงเรียนทำไม เขาไม่เข้าใจปฏิบัติธรรมไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาเฉยเฉยปฏิปธรรมคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคมีองแปดการให้เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึง่งไม่ใช่ไปแกล้งขังกันปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันไปขังกันไปเข้าค่ายนั่งหลับตาสิบวันสิบห้าวันบอกฉันปฏิบัติธรรมแล้วเธอไม่ได้ทําอะไรเลย แค่เธอไปฝึกวิชาสมาธิสติเท่านั้นเองเขาไม่้เรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญสลิไม่ใช่เจริญสมาธินะเพราะปฏิบัติธรรมคือเจริญมรรคผลนิพพานการกระทาชอบอยู่ในมรรคมีองค์แปดข้อหนึ่งหนึ่งในสินนั่นนะ่ะก็คือการให้ทานต้องมีการกระทาเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ถือสินห้าทุกคนถือศินห้านะนะ เอาเมืองไทยทั้งหมดถือโทชินห้าโอเคก็ดีไม่ไเบียดเบียนกันแต่ไม่ทำความดีอะไรเลยแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอันนี้ก็ไม่ทำนี้ก็ไม่ทำศีลในการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่นิพพานมีแค่สามข้อวาจาชอบอาชีพชอบการกระทำชอบไม่แบ่งชั้นวรณะต้องมีการกระทำเกิดขึ้นวาจาชอบพูดแต่เรื่องเป็นประโยชน์นะเป็นกุศล คนฟังแล้วได้ประโยชน์ได้ปัญญากลับบ้านไม่ใช่ไปพูดทะเลาะกันดีเบตกันอยู่ตรงนั้นเน่นะมันไม่ใช่วาจาชอบอาชีพที่เราทำต้องชอบคำว่าชอบคือหนึ่งต้องพอดีอย่าทำเกินตัวเกิดวิกฤตอะไรขึ้นเนี่ยเราก็เจ็บน้อยหน่อยหนึ่งแล้วเราไม่ต้องไปกังวลมันมากไงเราลงทุนเกินตัวแล้วก็นอนไม่หลับเคร่งเครียดอัปเดตตลอดเวลาเนี่ยไปเพิ่มภาระให้ทางร่างกายทางประสาทเรา แต่ต้องไม่มีผู้ใดเดือดร้อนถ้าทําจนตัวเองไม่หลับไม่นอนเนี่ยมันไม่ใช่สัมมาอาชีวะนะมันมีการเบียดเบียนแล้วข้อที่สามในการกระทําชอบข้อเดียวนี่ถึงมามันเหมาหมดแล้วละ่ะการกระทําทุกอย่างต้องไม่มีผู้ใดเดือดร้อนทําแค่สามข้ต้องมีการกระทําเกิดขึ้นมันจะเกิดบารมีแต่ตอนนี้วาจาชอบไหมหรือคือการให้ทานเนี่ยให้กันไหม บางทีทาบุญกับขอทานก็ให้ไปสร้างวัดหน่อยหนึ่งแต่ให้ความรู้ให้ไหมไม่ให้เรื่องอะไรฉันคนควากอบตายต้องลิกสิตมันให้กันไม่ได้หรอกต้องลิกสิตมันให้ไม่ได้ไงนะวัตถุทานธรรมทานอภัยทานและตัวสุดท้ายตัวทานนี่สำคัญมากพวกเราต้องเอาไปใช้กันบ่อยบ่อยบ่อยบคร อ, อบครัวจะได้ไม่ต้องเครียด อันนี้ให้ไม่ได้อย่าว่าแต่ศัตรูเราลองให้มันได้นะคนรักกันก็ให้ไม่ได้พอพูดเฉียดถูคำหนึ่งเนี่ยสามวันไม่มองหน้ากันงอนบ้างโกรธบ้างให้อภัยกันไม่ได้เมื่อเราให้อภัยคนเราลักกันไม่ได้เราจะให้ภัยคนอื่นได้อย่างไรอภัยทานนี่ได้อานิสงส์มากที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดวัตถุทานหาเงินมาแทบแย่ แลกจากหยาดเหงื่อแรงงานเรายังอุตสาห์แบ่งวัตถุนี่ไปเลี้ยงเด็กยากจนไปสร้างวัดไปทําการกุศลยังต้องเสียเงินนะเพื่อแลกกับวัตถุทานพราะครูกําลังให้ธรรมทานอยู่พราะครูไม่ได้ขี้เหนียวความรู้ปัญญาแต่ก็ต้องเสียเวลาแล้วก็ต้องเป่งเสียง พูดมา26ปีจนทุกวันนี้กล่องเสียงมันเริ่มมีปัญหาแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ยังต้องใช้เวลาใช้พลังเปล่งเสียงแต่อภัยทานเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดอะไรง่ายที่สุดแล้วก็ได้อา น, นิสงส์มากที่สุดยกตัวยอย่างว่าเราโกรธนกอมา สิบปียังไม่สายแค่นี้ต้องชําระพอผ่านไปเก้าปีสิบเอ็ดเดือนยี่สิบเก้าวันอีกวันหนึ่งจะหมดวีซ่าแล้วคืนนั้นบังเอิญคิดถึงหน้าในกอขึ้นมามันต่อวีซ่าไปอีกสิบปีนอนไม่หลับแต่ถ้าเราให้อภัยมันเนี่ยโดยที่ว่าเอเอโอ้โหสิกรรมมันโดยที่มันไม่รู้เลยในกอไม่ได้อะไจากเราเหมือนเราเอาภูเขาออกจากอกเบา นอนหลับสบายเห็นไมทำง่ายที่สุดแล้วก็เห็นทันตาเลยแต่ตอนนี้เรื่องจากทิฏฐิมานะตัวอัตตาตัวตนเราเนี่ยมันไม่ยอมมันถูกไอความคิดแบบทุนนิยมแข่งขันเสียดีมันกลัวเสียเปรียบก็แบกภูเขาไปรักชอบยังไงก็เอาเลยเราขึ้นชื่อว่าคนเดินทางทางนี้แล้วเนี่ยเรื่องนี้ยากมากต้องไม่มีทิฏฐิมานะ ตอนนี้มีนักบวชไม่ชีบางคนปรึกษาพวกคูว่าเอออยู่ใกล้กับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวมันจะมีปฏิฆะขอย้ายที่พ่อกรูไม่ต้องอยู่ตรงนั้นแหละให้มันตายไปเลยอะไรกันนักหนานี่เราให้ไม่ได้ไงเราติดถูกติดผิดไงติดดีจิตชั่วงไงก็นี่เรามาปฏิบัติเพื่อจะทำลายไอ้สิ่งนี้ออกไปไม่ใช่ไปห น, นีมันนะ น่า น, นี้มาอยู่ในป่าไออารมณ์ตัวนี้มันก็ตามเราเข้าไปแม้กระทั่งเอาไปเผาผีเนี่ยเผาเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลายเป็นอากาศธาตุไปที่เหลือเป็นธาตุดินแต่อารมณ์นั้นเน่มันไม่ได้ไปไหนมันข้ามพบข้ามชาติเกิดใหม่ชาติหน้าเจอในกอ ถ, ถูกชะตาจังเลยเจอในของหมันไส้ของเก่าพยาบาทตามมาทวงนี้อย่าทำเล่นนะไอเนี่ยข้ามพบ อุบายวิธีในการให้ทานเนี่ยมีในยะของมันเป็นการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสแบบหนึ่งสำคัญกว่าสติอีกตอนนี้มีแต่ไปสติสติโจรก็มีสติมีสมาธิไม่งั้นมันพ้นไม่สาเร็จนะมันมีมันต้องใช้สติมากกว่าเราอีกเพราะมันต้องขโมยทำแต่มันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญามันก็เลยใช้สติสมาธินั้นไปเบียดเบียนสร้างกรรมใหม่ เราต้องเข้าใจคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่จบแค่สติมักผลีิผ่านนะก็พระครูดึงเวลาแล้วก็เดี๋ยวเราฉายเรื่องนี้ก็ชักประมาณสี่สิบคนาทีนะแล้วเราก็ปฏิบัติปฏิบัติช่วงหนึ่งเราก็พักผ่อนแล้วก็ดูเวลานั้นมีเวลาเท่าไหร่นะสอดแทรกที่หนึ่งแล้วก็ปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งให้ถึงเที่ยงคืน หนึ่งนาทีนะถ้าทุกคนเหนื่อยง่วงก็นอนแถวนี้แหละนะพอถึงเวลาเดี๋ยวมีสัญญาณเตือนลุกขึ้นมาฉลองปีใหม่กันนะไอปีเก่าไอที่เป็นขยะเป็นอะไรเนี่ยวางซะอดีตเราแก้ไขอะไรไม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องดีขึ้นโรงเรียนศูนย์ประหลานขอยที่นี่เรา เรามีคำขวัญอย่างนี้นะต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าเก่าต้องดีที่สุดต้องดีที่สุดต้องดีกว่าเก่าไม่ใช่จำเจซ้ำทักผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกแต่คำว่าดีกว่าเก่าเนี่ยต้องเริ่มจากข้างในก่อนต้องพัฒนาจิตเมื่อจิตดีแล้วเนี่ยร่างกายเราก็ดีสมองเราก็ปลอดโปร่งแล้วมองปัญหาอะไรที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นนะให้มันดีทั้งหมดดีทั้งกายเวทนาจิตธรรม นี่คือมหาสติประฐานทุกวันนี้เราออกกําลังกายเราอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติพอแพ้ปุ๊บฆ่าตัวตายเพราะคูเห็นไงตอนนี้แข่งฟุตบอลแข่งพวกะูก็นั่งดูเพราะคูดูหมดเปิดปุ๊บเห็นอะไรพรากูก็นั่งดูอ่แล้วก็เปลี่ยนแม้กระทั่งดารานพรากูก็นั่งดูดูเข้าไปในจิตว่าตอนนี้คนมันอารมณ์เป็นยังไงพอชนะแล้วก็โหหิ้วไอ้แพ้ก็นั่งร้องไห้เมื่อกี้พูดถึงเรื่อง การท่องเที่ยวมันเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวมันไม่ได้ทำให้เรารีแลกอะไรเลยไปเพิ่มความเครียดพวกครูเคยตีกอลวันเสาร์ไปตกปลาอยู่อเมริกาวันอาทิตย์ไปตีกอลอาทิตย์ไหนขาดรู้สึกหมุดหนิด ต, ต้องไปกินทีบงซิกนะตอนนั้นเราคิดว่าเราไปผ่อนคลายอารมณ์ไม่ใช่เล่นนกกระจอกันเนี่ยเราไปเพิ่มอารมณ์ใหม่ เอาอารมณ์สนุกสนานมากบเกินความเบื่อพอไม่ได้ดั่งใจเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นลูกเศรษฐีไงมันไปตีกอล์ฟตีไม่ถูกปุ๊บด่าพ่อแม่ตัวเองนะยังไม่พอนะไอเหล็กที่ตีนัน้นถ้าอยู่ใกล้ๆต้นไม้งอหมดมันไม่ได้ผ่อนคลายมันไปเพิ่มอารมณ์ใหม่เราไปหลงมันเครียดพราลุ้นไงอยากชนะอยากอะไรนะ ไม่ใช่เป็นการผ่อนคลายการท่องเที่ยวทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการผ่อนคลายไปเพิ่มภาระให้สังขารเรามันเหนื่อยมากขึ้นกีฬาก็ไม่ใช่ยาวิเศษอีกต่อไปเป็นยาพิษกีฬาเป็นยาวิเศษนะถ้ายาวิเศษจริงๆเนี่ยไม่ต้องฝึกเล่นด้วยกันได้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเล่นด้วยกันตื่นเช้ามาปุ๊บทุกคนก็แบกข้าวของ พระท่านก็แบกดัมเบลลูกหนึ่งเนี่ยไปบินบกระบังเห็นไหมทําด้วยกันได้เราไปเดินเราไปจ็อกกิ้งด้วยกันได้ไม่ต้องฝึกส่วนใครจะวิ่งเร็ววิ่งช้าต้องพอดีของแต่ละตัวเองนั่นคือกีฬาเป็นยาวิเศษแต่ตอนนี้สมัยก่อนเขาบอกว่าเล่นกีฬาเล่นเล่นเล่ น, ลนให้มันรีแลกช์ให้มันสนุกร่างกายแข็งแรงแต่ตอนนี้แข่งกีฬายังไม่แข่งซ้อมก็เครียดแล้วล่ะชนะก็ดีใจแพ้ก็เสียใจ มันเพียงไปหมดร่างกายเราไม่เคยมีเวลาพักผ่อนเลยใช้มันแบบไม่บัญญาศันยงแล้วยังไงล่ะฮนะตอนสมัยก่อนพ่อครูยังเด็กๆหนุ่มๆอยู่นะไปสวนลุมนะ่ะพ่อครูก็ไปเดินทุกเชา้ามีแต่คนแก่ๆทั้งนั้นเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ตอนนี้มันไม่ละเว้นอนะ่ะหนุ่มสาวก็เป็นมะเร็งก็เหมือนกันเพราะเราใช้ชีวิตเราอย่างไม่บัญญาบันยงนะ ก็ช่วงนี้พ่อครูก็จบแค่นี้ก่อนแล้วก็ถ้าทุกคนพออยู่ได้ก็ขอให้นี่แหละส่งท้ายปีเก่าและเริ่มต้นปีใหม่นะอยู่ในจิตเราเริ่มต้นปีใหม่นะเป็นปีใหม่ที่งเป็นกุศลโอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรษรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วงกันประพฤติปฏิบัติมา ได้คุ้มของทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบนรรลุมรคผนนิพพานโดยไวยเทิน